อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาพันธ์ขอเปิดสถานีด้วยการนํารายการธรรมารับอรุณกลับมาให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นความรู้ที่จะทําให้ท่านมีความสุขสงบแล้วก็สว่างตลอดไปด้วยธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเราพบกันในเช้าวนันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่18มีนาคมพุทธศักราช2555คะ่ะ วันนี้เป็นวันแรม11บเอ็ค่ำเดือน4ปีเถาะนะคะค่ะก็จะขอน้าท่วมฟังทางบ้านมากราบนมัจการพระอาจาร ย, ย์ไพบุญอภิปุโนโซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ที่เป็นองค์ปาถกประจํารายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะพระอาจารย์ท่านเป็นพระอาจารย์ผู้อํานวยการหลักสูตรที่สําคัญอย่างยิ่ง ของวัดป่าดอนหโศกนั่นก็คือหลักสูตรการรีเคลนตปฏิบัติธรรมะตามพุทธวจนะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะซึ่งวัดป่าดอนหโศกนี้ก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีค่ะมีประเดศพระกุลหลวงพ่อดออรสะอาดที่โทพาโซเป็นท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหโศกซึ่งท่านก็เป็นพระที่มีเมตตายอย่างสูงและก็ประพฤติปฏิบัติ อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะขาขอนำท่านผู้ฟังมากราบน้ำพิการพระอาจารย์ภัยบูลอภิปุโนโพร้อมกันนะคะกราบน้ำพัสการเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขาเจริพรสาธุเจ้าค่ะ เ, เราพบกันในเช้าวันอาทิตย์นี้โยมก็อยากจะขออนุญาตที่จะนำะจดหมายที่ทางท่านผู้ฟังทางบ้านที่ได้เขียนเข้ามาในเว็บไซต์ของของทางวัดนะเจ้าคะเจริพได้มา อตอบแล้วก็สนทนาพูดคุยหรือสากกระฉาการเหมือนเมื่อเอช้าวานนี้ที่เราได้ตอบคุณกระยาจังหวัดเพชรบุรีนะเจ้าคะเพราะว่าพอได้ฟังปัญหาเนี้ยก็เหมือนกับเป็นเรื่องที่เหมือนเป็นตัวแทนของท่านผู้ฟังทางบ้านเขียนถามมานะเจ้าคะก็คง<ช><ช>จะทําให้หลายๆท่านได้รับความรู้แล้วก็หลายท่านอาจจะมีปัญหาแบบนั้นก็จะได้ได้รับความรู้ไปด้วยนะเจ้าคะใช่สัตว์ปูเพลินตาที่เขียนมาจากกรุงเทพมานครนี่เองเจ้าค่ะก็เขียนมาดังนี้นะเจ้าค่ะว่า กลับนรมสการ์พระอาจารย์วันนี้ได้ฟังพระอาจารย์พูดเรื่องสติโยมเห็นด้วยเลยเพราะเมื่อวานนี้เองโยมก็มีความทุกข์ใจมากไม่รู้จะทำอย่างไรก็เลยปลีกตัวเองอยู่ในห้องคนเดียวแล้วก็นั่งดูลมหายใจ hmm. ทำไปสักพักหนึ่งก็เกิดคิดได้เองว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายนั้นไม่ได้เป็นของคนใดคนหนึ่ง พอเปลี่ยนไปอยู่กับใครเขาก็ยึดว่าเป็นของเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วเราจะไปยึดเอามาเป็นของเราอยู่ทําไมพอคิดได้อย่างนี้ก็โล่งเลยพ้นทุกไปนะเจ้าคะแล้วก็พ้นไปเห็นเห็นเลยแค่นี้เราก็มีสติอยู่กับลมหายใจเท่านั้นแค่นี้เองอันนี้คุดเปลืตาจากกทมก็บอกมานะเจ้าคะก็กราบนวัตสการพระอาจารย์ได้สากระชากันเลยเจ้าคะเพื่อให้คุณเปลือตาและท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่น มั่นใจยิ่งขึ้นในการประพฤติปฏิบัติธรรมตามพ<ม>ุทธ ว, วจนะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าค่ะครับราชการเจ้าค่ะคุ ณ, คณปัญตานี่ก็แสดงว่าต้องฟังวันอังคารนี่เลยเพราะปกติแล้ววันอังคารจะมาก็จะหยิบเรื่องสติมาคริงๆสติเนี่ยพูดได้ทุกวันนะาาตลอดชีวิตก็ยังพูดไม่หมดก็ต้องย้ำกันอยู่นั่นแหละทีาานี้ว่าอย่างวันอังคารเนี่ยจะเป็นวันที่เราจะเน้นเรื่องของการปฏิบัติแ้นเรื่องของการปฏิบัติคือให้ให้ปฏิบัติไปพร้อมกับทางรายการเลย อย่างเงี้ย <c oughs> ซึ่งเราก็จะได้ฝึกจิตตรงนี้ไปด้วยเพราะเราฝึกจิตตรงนี้ไปแล้วเนี่ยตรงนี้แหละมันจะเป็นเหมือนกับ เ, เขาเรียกว่าอะไรคุ้มทรัพย์ของเราในเวลาที่เราจะต้องใช้เนี่ยเราจะเอามาใช้ได้คือเหมือนกับอจอมยุทธนะคุณเตือนใจก็ใช่ไหมก็ฝ <c oughs> ึกวิทยายุทธมาแล้วเนี่ยเพราะออกภาคสนามเนี่ยมันมีทั้งมีดสั้นมีดยาวขวานอะไรต่างๆเอาไปควักไปใช้ได้แล้ว <c oughs> เราฟังรายการธรรมะเนี่ย เราอาจจะไม่ไม่ค่อยรู้อะไรมากไม่เข้าใจอะไรมากแต่ว่ามันสะสมสะสมไปเรื่อยๆอย่างกูเตนใจวันละ <Okay. S 2> นิดวันละหน่อยวันละนิดวันละหน่อยอย่างเงี้ยสุดท้ายพอเราไปเจอสถานการณ์จริงพุ่มเราออกมาใช้ได้ <Okay. S 2> คือมันจะค่อยๆสะสมไปค่อยๆสะสมไปแต่เาะ่ั้นอย่างท่านผู้ฟังที่ฟังไปเนี่ยฟังวันนี้วันเมื่อวานนี้ก็ฟังพรุ่งนี้ก็ฟังอาทิตย์หน้าก็ฟังฟังตลอดเนี่ยฟังไปฟังไปเราจะค่อยมีจิตที่ค่อยพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นนะนะ <Okay. S 2> <coco on S 1> ทีนี้พอเราเจอความทุกข์มากระทบภุ่มเนี่ย ความทุกข์นี่มันมาได้ตลอดทางทุกวิถีทางเอาไม่ต้องยากอะไรเราเดินตกท่อเดินสะดุดก้อนหินเนี่ยมันมันก็เป็นไปได้แล้วเจอความทุกข์เกิดขึ้นทางกายอย่างเงี้ยอย่างกรณีของคุณพเพลินตาที่เขียนมาจากทางกรุงเทพก็ส่งมาทางอินเทอร์เนต็ตอย่างเงี้ยนะ <Okay. S 1> ก็พูดถึงว่าพอเจอเรื่องที่ไม่น่าพอใจนะซึ่งปกตินี้จะเป็นทุกข์มากแล้วพอเจอเรื่องนี้ทีแรกอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เรารักหรือแรองต่างอย่างเงี้ยนะ <Okay. S 1> าม า, านั่งดูลมาใจอยู่ในห้องคนเดียวเนี่ยก็จะทําให้ เกดเห็นตามที่เป็นจริงนะทำไมอาการตรงนี้ถึงเกิดขึ้นได้พระพุทาตรัสมวอย่างนี้คุณเตือนใจเขาบอกว่าบุคคลที่จะเห็นตามที่เป็นจริงได้คือใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะเห็นตามที่เป็นจริงได้เนี่ยคุณจิตของคุณคุณจะต้องเป็นจิตที่มีสมาธิเนืเมื่อจิตมีสมาธิแล้วจะรู้ได้ตามที่เป็นจริงการที่เราจะมารู้ได้ตามที่เป็นจริงเนี่ยจิตคุณต้องเป็นสมาธิก่อนเพราะฉะนั้นจิตของคุณกริยาตอนนั้นต้องเป็นสมาธิแน่ อาศัยเหตุปัจจัยอะไรเพราะว่าคุ ณ, ค ณ, คณเพลินตามานั่งสมาธิมานั่งอยู่ในห้องคนเดียวนะนั่งนิ่งๆดูลมหายใจจิตตรงนั้นเป็นสมาธิแน่ใช่ไห ม, ไหมจิตจิตที่เป็นสมาธิอาศัยเหตุปัจจัยอะไรแตนะพระเจ้าบอกถึงเหตุของสมาธิเนี่ยก็คืออาศัยความสุขที่เกิดจากในภายในนะเราไม่ต้องพิงพึ่งพิ ง, พงอาศัยความสุขภายนอกใช่ไหมเราอาศัยความสุขจากในภายในนะมีความสุขในภายในแล้วนั่นแหละคือระดับของสมาธิที่จะเกิดขึ้น นะสมมุติเรามีความสุขข้างในเนี่ยยิ่งมากเท่าไหร่สมาธิเรายิ่งมากเท่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าเมืม่มีเวลามีอะไรมากระทบเนี่ยเราจะไม่ไหวติงไปตามสิ่งเหล่านั้นนี่คือภาวะของอุเบกขาใช่ไหมจบค่ะทีนี้อย่างกรณีหนึ่งคุณ เ, เพลินตานั่งอยู่ในห้องสังเกตดูลมหายใจนั่นคือสมาธินั่นคือความสุขที่เกิดจากในภายในไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกใช่ไหมไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกให้ฉันมีความสุขห้องนั้นไม่ต้องติดแอร์ก็ได้นะแค่ฉันมาดูลมหายใจ นี้ไอ้ความสุขระดับของความสุขเนี่ยมันก็เกิดจากความที่เราสงบระงับและพระเจ้าใช้คําว่าปัสสธิคือความสงบระงับความสงบระงับตรงนี้เกิดจากความสงบระงับจากที่ไม่ต้องวุ่นวี่วุ่นวายไปตามสิ่งภายนอกอย่างสมมุติว่าบางทีเรามีอากาศร้อนเราก็รู้สึกไม่สบายอากาศเย็นเกินไปเราก็รู้สึกไม่สบายพวกนี้คือความวุ่นวี่วุ่นวายไปตามสิ่งภายนอกนั่นคือแสดงว่าจิตของเราเนี่ยไม่สงบระงับละ แต่ถ้าเ <mould Paige. S 1> มื่อไหร่จิตของเราสงบระงับทั้งกายและทั้งใจสงบระงับเราจะมีความสุขในภายในนี้เข้าใจเนาะทีนี้นนะนบุคคลที่จะมีกายสงบระงับได้จิตสงบระงับได้เนี่ยคุณจะต้องมีปีตินั่นคือความอิ่มเ อ, อิบใจความสบายใจที่เกิดจากในภายในะคุณมีความอิ่มเ อ, อิบใจความสบายใจแล้วคุณจะสงบระงับทั้งทางกายและทางจิตได้คนจะมีความอิ่มเ อ, อิบใจความสบายใจเนี่ยคุณจะต้องไม่มีความร้อนใจ เราจะไม่มีความร้อนใจกังวลใจอะไรพวกนี้เราจะไม่มีได้เนี่ยก็ต้องดูที่ตัวเราใช่ไหมนั่นก็คือเรื่องของศีลนะถ้าเรามีศีลเราไม่ฆ่าสัตว์เราไม่เคยรักทรัพย์เราไม่ในกาลเราไม่แกล้งกล่าวเท็จเราไม่ดื่มสุราเมรัยเราจะมีความมีศีลพอมีศีลแล้วเราจะไม่ร้อนใจจะมีความสบายใจว่าเฮ้ยไม่มีใครจะมาโจมเราได้เรื่องนี้อาการที่ทุกข์ใจก็ไม่ได้เกิดจากความชั่วที่เราไปทํามาผิดศีลตรงนี้เราก็จะมีความสบายใจ พอเรามีความสบายใจมีความ อ, าอ่ึมเอิบใจแล้วเนี่ยเราจะมีความสุขในภายในมีปีตินะมีปีติในภายในเราก็จะไม่ต้องวุ่นวี่วุ่นวายไปตามสิ่งภายนอกแต่ไหมสิ่งภายนอกจะเปลี่ยนแปลงไปได้ไงเราก็ยังมีความสุขในภายในได้คือ <Okay. S 1> นะสมมุติ <Okay. S 1> เขาพูดเสียงดั ง, งๆขึ้นมาอย่างนี้เราอาจจะแสบหูอยู่แต่ในใจของเราสบายเข้าใจไหม นี่ <Okay. S 1> คื อ, อความสงบประ ง, งับในภายในแล้วนั่นก็จะแปลงไปเป็นความสุขที่เกิดในภายในนั่นก็จะแปลงไปเป็นสมาธิที่เกิดในภายในพอมีสมาธิที่เกิดในภายในแล้วเราจะเกิดอะไรขึ้นเราจะเห็นได้ตามที่เป็นจริงนะพอเห็นได้ตามที่เป็นจริงแล้วเราจะรู้ว่าอะไรเราจะสามารถคลายกำหนัดคลายความกำหนัดกำหนัดนี่คือความยึดถือในคุณตนใจเรายึด ถ, ถือว่าสิ่งนี้ต้องเป็นอย่างนี้สิ่งนั้นต้องเป็นอย่า ง, งานั้นต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างอื่นไม่ได้นี่พวกนี้ยึดถือตั้งนั้นเลย แล้ว<ร>เราจะคลายความยึดถือไปได้เพราะคลายความยึดถือไปได้เราก็จะปล่อยวางวางได้นั่นแหละสบายใจจ<ร>้าวางได้เราก็จะหมดพ้นไปจากความทุกข์ที่เกิดจากสิ่งเหล่านั้นอย่างไี้นะวางได้คือโล่งเลยนะจ้าโล่งเลยเดินตาว่ามาอ้า<ร><ร>ายกตัวอย่างง่ายๆที่เราเจอทุกวันทุกวันมีอาหารจานหนึ่งกุนเตินใหทงมาอยู่ต่อหน้าเราอร่อยมากเป็นอาหารที่เราชอบจริงๆเลย เห็นที่ไรน้ําตาไหลอั้นไม่ได้ต้องกินอย่างงี้นะโอ้ยพอมันมันลออเราขันแบนี้เราก็ใส่เต็มที่เลยใส่จานที่หนึ่งจานที่2จานที่สามและจานที่สี่จนถึงจานที่ห้ากินเต็มที่เลยเขาไมาให้จานก็เอาเขาไม่ให้จานก็ไม่ปฏิเสธเขาไม่ให้จานก็รับรับจนกินจนอิ่มเต็มที่แล้วเนี่ยเขาเอามาให้จานที่สิบเนี่ยจานที่หกที่เจ็ดที่แปดเอามากองเต็มหน้าเต็มเลยโอ้โหไม่เอาแล้วหวนแน่นอนนะจ๊ะมันเต็มแล้วเพราะมันมันเบื่อหน่ายแล้ว นะความเบื่อหน่ายตรงนี้จะเกิดจากการที่เราเห็นตามที่เป็นจริงอืเห็นตามที่เป็นจริงว่าโอ้โหไม่ไหวแล้วเราเราพอละอย่างเนี้ยนะเหมือนกับว่าเราเราพอแล้วเรื่องนี้เราเห็นตามที่เป็นจริงแล้วอันนี้มันไม่เที่ยงมันจางคลายไปได้หนับไปได้เราจะมีความเบื่ออที่ที่ขั้นตอนตะกี้ที่บอกว่าเห็นตามที่เป็นจริงแล้วคุณจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็จ ะ, ะสามารถมีความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดนะก่อนจะคลายกำหนัดได้คุณจะต้องเบื่อหน่ายก่อน ลักษณะของการเบื่ออาหารที่เราชอบมากๆในหลังจากจานที่5ที่กินไปแล้วเนี่ยพอจานที่6กเริ่มเบื่อละนะความอยากตั้งแต่เอาลองพิจารณาตรงนี้ก็ได้ความอยากที่เราจะกินตั้งแต่จานที่1จนถึงจานที่หจานสุดท้ายที่เรากินเนี่ยมันจะค่อยๆลดไปด้วยซ้ำจานที่หนึ่งกินโอ้โหอร่อยอย่างมากเลยจานที่2กินเอ้มันไม่อร่อยเท่าจานที่1จานที่3กินก็อยากอยู่แต่มันไม่อร่อยเท่าจานที่2อตั้งแตั้งที่เป็นอานอย่างเดียวกันเป็นต้นนะมันจะค่อยๆเบื่อไปเรื่อย และเช่นเดียวกันเราเห็นตามที่เป็นจริงไปเรื่อยเห็นตามที่เป็นจริงไปเรื่อยเนี่ยมันจะค่อยๆเบื่อไปเบื่อไปเบื่อนี้มันไม่ใช่เหมือนกับเบื่อเซ็งนะคุณตันทร์ใจคือเบื่อเซ็งเนี่ยคือบางทีเราทิ้งงานเราเบื่อเราไม่ทำละนี่คือเบื่อเซ็งแต่เรารับผิดชอบด้วยความเบื่อหน่ายด้วยความปล่อยวางเนื้อเบื่อหน่ายพระเจ้าใช้คําว่านิพิธาคือความหน่ายก็ใช่ไหมนิพิธาคือความเบื่อหน่ายจะไม่เหมือนกับความเบื่อเซ็งเบื่อเซ็งนี่คือเราทิ้งงานอย่างสมมุติคนไปพักกลางวันสองสามชั่วโม เพราะว่าเขาขี้เกียจทํางานเบื่องานอย่างนี้เขาก็เลยไปพักกลงวันนานๆอย่างเงี้ยนะเพราะาเขาความเบื่องงานเขา เ, าเกิดความที่ถูกทีนะมิทะครอบงำหรือว่าถูกความอยากครอบงำนะทาให้เขาเบื่องงานเบื่อเซ็งแต่คนที่จะเบื่อหน่ายคือนิพิทาได้เนี่ยคุณจะต้องมีสมาธิคุณจะต้องเห็นตามที่เป็นจริงซึ่งจิตนี่จะคนละแบบเลยนะคุณจะจะนึกตามาสมมติคนแรกเนี่ยเขาไม่ทํางานนะเขาขี้เกียจทํางานเพราะเขาเบื่อในงานนะจิตเขาถูกครอบงำด้วยความอยากด้วยความที่ เบื่อชวนหน้าไม่ชอบหชวหน้าจิตครอบงําด้วยความพยาบาทอย่างนี้เป็นต้น <Okay. S 1> ใช่ไหม <Okay. S 1> คือครอบงําด้วยสิ่งที่เป็นอกุศลแต่คนที่สอง <Okay. S 1> เขาเบื่อหน่ายนะในจิตของเขาเพราะอาศัยเหตุปัจจัยที่เขาอ่าจิตเป็นสมาธิเห็นตามที่เป็นจริงเ <Okay. S 1> พราะนั้นเหตุของการมาของสองบุคคล น, นี้ไม่เหมือนกันละไม่ใชเนาะทีนี้อย่างคนที่เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายด้วยนิพิทาเนี่ยนะกับเบื่อเสงคนที่เบื่อเสงผลที่จะเกิดขึ้นคืออะไรคืองานจะเสียคุณจะหนีงานคุณจะ ไมท่ทิ้งการงานไม่มาทํานละไม่รับผิดชอบนี่คือพวกเบื่อเซ็แงแต่พวกเบื่อหน่ายจะเกิดอะไรขึ้นเบื่อหน่ายผลที่เกิดขึ้นจากการเบรื่อหน่ายคือคุณจะคลายกําหนัดคุณจะปล่อยวางได้ <Okay. S 1> นะอะไรเหตปัจจัยคือจิตที่เป็นสมาธิจิตที่เห็นตามที่เป็นจริงใช่ไหมพอเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นนิพิทาขึ้นแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือคุณจะคลายกําหนัดคุณจะปล่อยวางได้จิตคุณจะสบาย นนในขณะที่พอในขณะที่คนแรกนี่ที่เขามีความเบื่อเซ็งใช่ไหมพอเขาทิ้งงานแล้วงานเสียผูปัญหาเกิดขึ้นเดือดร้อนไปหมดเลยไม่ใช่เฉพาะ ต, ตัวเองนะคนรอบข้างหัวหน้างานเพื่อนร่วมงานครอบครัวเดือดร้อนไปหมดนนะั้ในขณะที่คนที่เบื่อหน่ายแล้วก็คลายกำหนัดปล่อยวางได้เนี่ยจิตเขาสบายเนี่ยพอจิตเขาสบายแล้วนะคนรอบข้างก็สบายไปด้วยใช่ไหมเขาก็จะทํางานอย่างสบายใจน ะ, ะไม่ยึดถือในงานรับผิดชอบงานด้วยความปล่อยวาง นะตรงนี้ที่กรณีที่เกิดขึ้นกับคุณเปลินตานะอาตมาสามารถาพยากรณ์ให้ได้เลยว่าเพราะเป็นอย่างนี้โล่งอย่างนี้แล้วเนี่ยเรามีสติอยู่ในลมหายใจเรากลับไปสถานการณ์เดิมนะเราสามารถจะจัดการสถานการณ์เดิมได้อย่างก็เรียกว่าครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วก็ด้วยความมั่นใจทุกคนก็ยังงงว่าเออเธอทําได้ยังไงอย่างงี้แน่นอนอืมเจ้าค่ะคล้ายๆว่าสิถ้าแม้ว่ากลับไปในสถานการณ์เดิมนั้นเนี่ยความทุกข์ใจอะไรต่างๆนั้นเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมเลย แะถ้าคุณเพลินตาสามารถฝึกตนให้มีกําลังจิตเข้มแข็งยิ่งขึ้นนะเจ้าคะ<ช>่ะมีสมาธิมี ส, มมมสติมากขึ้นนี่ยงคิดว่าก็คงจะทําให้คุณเพลนตาเนี่ยเรียกว่าสบายใจขึ้นเยอะเลยอะไรก็มากระทบก็ไม่สามารถทําลายได้เลยนะเจ้าค่ะพระเจ้าเคยเปรียบเทียบตรงนี้เหมือนกับภูเขาหินคุณนนท์ใจเจ้าคะ่ะภูเขาหินศิลาทั้งแท่งหินศิลาเนี่ยหมายถึงหินที่ไม่มีรอยต่อ คือสมมติ ừ, หินเป็นร้อยๆพันๆก้อนถมๆกันขึ้นมาเป็นภูเขาใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ น, นี่เป็นภูเขา ห, หาินสิลาคือเป็นหนินแท่งเดียวเอ่อแท่งเดียวเวลามีลมฝนมากระทบจากทางเหนือใต้ออกตกเนี่ยมันจะไม่กระเทือนไม่มีความว่าสั่นสะเทือนสั่นสะท้านไปได้เลยเจ้าค่ะเพราะว่าความที่มันเป็นหินศีลาทั้งแท่งฝังอย่างลึกฝังไว้ดีแล้วอืเจ้าค่ะแต่ถ้าเป็นเปรียบเทียบกับอีกรณีหนึ่งพระเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้กับปุยนุ่นปุยฝ้าย นะปุยนุ่นหรือปุยฝ้ายที่วางไว้บนพื้นอันเสมอราบเรียบเนี่ยนะเวลาลมพัดมาไม่ต้องลมหนักมากเอาเบาๆมันก็ปรีไวแล้วคุณสนใจเจ้ค่ ะ, ะเหมือนกับคนที่ไม่ได้ฝึกจิตเนี่ยผู้ชาเปรียบเทียบกับคนที่ไม่ได้ฝึกจิตไม่ได้สําสรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลาเขามาพูดอะไรนิด น, นึงนะนุ่นเลยวิ่งไปตามก็เลยเวลาเขาพูดสิ่งที่ชอบใจเราก็วิ่งตามไปเวลาพูดสิ่งที่ไม่ชอบเราก็วิ่งหนีไปเนี่ยเจ้าค่ ะ, ะเป็นผู้ที่เป็นธาตุของสิ่งที่มากระทบ อืมเจ้าค่ะก็เรียกว่าตกเป็นเหยื่อของอความคิดที่เป็นอกุศลเหล่านั้นนะเจ้าค่ะรหรือผัสสะอีไม่ดีทั้งหลายใช่ในสังคมนี้เราเจอมากเลยนะผูดที่ตกเป็นเหยื่อนะเจ้าค่ะเอพระอาจารย์ช่วยเมตตาสากัะฉาตรงนี้ให้<อ>ลึกซึ้งอีกนิดได้ไหมเจ้าค่ะอ ย, อ, ยอย่างว่าเขาอพูดถึง อะไรที่มันดีๆอย่างเงี้ยทั้งที่มันไม่จริงอย่างถูกหลอกไปอย่างเงี้ย <c oughs> อย่างผู้ที่กรณีอย่างเช่นเราเคยพูดกันอย่างตกทองเงีง้ยเขามาตกทอง <c oughs> เขาเอาทองเอาทองอะไรนะทองเส้นใหญ่ๆ ห, หน่อยแต่ว่าเครื่องในก ล, งกลวงๆเขาเรียกว่าอะไร <c oughs> <c oughs> ทองทองชุบอ่ะนะทองย้อมไอ้ทองชุบใช่ไหมใช่จ้าทองชุบ <c oughs> เส้นใหญ่ๆมาตกไว้คนนี้ก็เอ้ยฉันเก็บได้คนนี้ก็เออฉันก็เก็บได้เหมือนกันเก็บได้พร้อมกันอย่างเงี้ยนะแล้วก็เลยจะทํา ลักษณะว่าอังนั้นแรกกับของจริงของเธอที่อยู่ในทองที่คอและกันเส้นเล็กๆฉันแรกกันอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแตนะ่เพราะว่าอาศัยความอยากนะอาศัยจุดที่คนที่เขาหยิบได้เป็นเหยื่อเนี่ยเขาอยากในการที่จะไดนะ้ซึ่งตกทองตรงนี้ก็ยังปัจจุบันนี้ก็ยังเคยมีคนถูกหลอกกันอยู่ด้วยมีเจ้าค่ะนะซึ่งกลลวิธีในการหลอกลวงสมัยนี้มันยิ่งซับซ้อนขึ้นไปนะใช่เจ้าคนะ่ะอย่างสมมติการทําธุรกิจอะไรต่างๆการลงทุนโอโ้เจอมาทุกรูปแบบเรดังนั้นมันก็อาศัยเหตุผลใจที่ว่า เราไหลไปตามสิ่งที่มากระทบไงอยงโดยเฉพาะยิ่งพวกเครื่องรางของขังอย่างเงี้ยไข่รพรญานาะคอะไรมาก็ไม่รู้จะพูดอะไรมันเยอะไปหมดอนะ่ะเราก็ถูกหลอกไปได้นะเพราะอาศัยอะไรอาศัยความอยากของเรานะอาศัยที่เราไม่รู้จักควบคุมตาหูจมูกลิ้นกาใจเขาจะดึงเราไปได้ตามอํานาจของเขา<ม>เขารู้ว่าเราอยากตรงไหนเอาตรงนั้นมาล่อเสร็จเขาเลยอืเสร็จมันเลยเสร็จมันเลยใช่เจ้าค่ะก็อย่างที่พระอาจารย์ภัยบุญอภิปุโนเคยบอกว่า ก็โดนมารกินหัวเลยนะเจ้าคะ่ะก็คือว่าแบบมารชนะเราแน่นอนอันนี้ถ้าเบื่อย้อนมาในเรื่องของคุณเพลินตาที่เขียนเข้ามาในเว็บไซต์จากกรุงเทพมหาคนครนี่เองนะเจ้าคะ่ะยมขอสรุปอย่างนี้ได้ไหมเจ้าค ะ, คะว่าการที่คุณเพลินตาเนี่ยเกิดมีความทุกข์ใจไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยปลีกตัวเข้าไปอยู่คนเดียวในห้องนั่งดูลมหายใจสักพักหนึ่ง ก็ทําให้คิดขึ้นมาได้เองอันนี้ก็คือเกิดความรู้สึกว่าเห็นตามที่เป็นจริงใช่ไหมเจ้าคะว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายนั้นไม่ได้เป็นของคนใดคนหนึ่งพอเปลี่ยนไปอยู่กับใครเขาก็ยึดติดว่าเป็นของเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนี้แหละแล้วเราก็จะไปยึดเอามาเป็นของเราอยู่ทําไมพอคุณเพลนตาคิดตรงนี้ได้ปุ๊บนั้นก็พอคิดได้ก็เลยโล่งเลยคนทุกข์อันนี้หมายถึงว่าปล่อยวางทันทีเลยเรียกว่าทุกเนี่ยพ้นไปเห็นเเลยคุณเพลินตาบอกนะเจ้าคะตรงนั้นคืออะไรเกิดขึ้น ตรงนั้นเนี่คือวิชาเกิดขึ้นแล้วอืเจ้าค่ะความรู้แจ้งในสิ่งนั้นไม่เป็นทุกข์เราอีต่อไปอืเ ok จ้าค่ะเจ้าค่ะทีนี้ไอ้อวิชาในสิ่งนั้นจะดับไปคืออวิชาเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยบอกว่ามันจะค่อยๆดับไปอวิชาจางคลายดับไปจนไม่มีเหลือค่อยๆอยชุกค <c ười> ่ะเพราะมันก็จะค่อยๆจางคลายดับไปในแต่และเรื่องแต่และเรื่องอย่างตอนนี้ของเด็กเล่นที่เราเคยมีอยู่ในสมัยก่อนเราวิชาเราเกิดเราอวิชาเราดับไปในของเด็กเล่น อย่างเด็กเนี่ยเราไปหลอกเขาเนี้ยอันนี้ตุ๊กตาตัวนี้นะให้เป็นลูกนะแล้วเธอก็เป็นแม่นะอขนมข้าวม่วแก่นี่นะเธอทำขายของน ะ, ะเด็กเขาถูกหลอกได้ง่ายเพราะว่าเขายังไม่มีวิชาเกิดขึ้นใช่เจ้าค่ะในของเด็กเล่นเหล่านั้นก็ยึดถือเป็นของตัวหมดเลยนะเจ้าค่ะตอนสมัยเด็กๆโยมก็เคยนะเจ้าค้านั่งโต๊ะสมัยก่อนมันจะต่อกันใช่ไหมเจ้าค่ะไม่ใช่เป็นจะขีดเส้นเลยเจ้าค่ะทั้งโต๊ะทั้งเก้าอี้ห้ามเกินชั้นมาอะไรเนี่ยเจ้าค่ะ เกินมานิดนึงก็ไม่ได้เลยไม่ได้เลยเจ้าค่ะอันนั้นเป็นเขาเรียกว่ายังมีอวิชชาอยู่ในสมัยเด็กๆนะเจ้าค่ะใช่พอโตขึ้นมาแล้วมีสัญญาความรู้ความเรียนขึ้นมาแล้วก็ปล่อยวางสิ่งนั้นได้อย่างเงี้ยเจ้าค่ะเจ้าค่ะแล้วก็กลับพอไปมองย้อนหลังนี้รู้สึกว่าแม่เราโง่มานานเลยนะเจ้าค่ะไม่น่าจะทําแบบนั้นอเจ้าะซึ่งซึ่งพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยคุณเตือนใจก็จะมองย้อนกลับไปเหมือนกันอย่างพระเจ้าเองเนี่ยพระองค์เองพอบรรลุแล้วเนี่ยนะ ก็โหมองย้อนกลับไปนี่เพราะว่าโอ้โหเรานี่มันโอ้โหเดินทางมาอย่างทุลักทุเลมากอเจ ค, คือว่าเป็นหนทางที่ยากลําบากที่ใครสคักคนใดคนหนึ่งจะเดินมาได้เพราะว่าอันอันหาเนี่ยเราเนี่ยถูกผัสสะบังหน้าแล้วเนี่ยจะไม่สามารถเห็นความยึดถือได้ถูกอวิชชาบังหน้าแล้วเนี่ยเราจะไปเห็นความสุขที่เกิดจากความสงบเนี่ยมันจะยาก พระเรจ้าจิงมามาลังเลใจเนี่ยทุนเตืนใจตอนที่จะประกาศธรรมะเนี่ยมาลังเลใจว่าโอ้ทำลึกซึ้งเห็นปานนี้จะมีใครเข้าใจไหมเนาอะไรงี้ยอืมเจ้าค่ะเจ้าค่ะเ ล, เลยจิตน้อมไปในการขวนขวายน้อยไม่น้อมไปในการแสดงธรรมอืมเจ้าค่ ะ, ค, ะคือหลังจากที่ส่งตรัสรู้แล้วใช่ไหมเจ้าค่ะที่ว่าส่งนั่งทบทวนไปใช่อันนี้พระอาจารย์เคยเล่าว่ามีใครมากราบนิมนต์หรือว่าอัญเชิญให้ให้ได แสดงธรรมนะเจ้าคะ่ะก็รับยินเจ้าคะ่ะเหตุการณ์ตรงนี้อพอพระพุทธเจ้ามีจิตน้อมไปในการกลอนขวัญน้อยไม่น้อมไปในการแสดงธรรมใช่ไหมเจ้าค่ะสามบดีพรมนะเป็นเทวดาที่อยู่ในชั้นพรมเป็นเทพในชั้นพรมนะชื่อสามปฏนะิเทวดาพรมชื่อสามปติเนี่ ย, ยเขาก็ม า, ารู้ถึงวาราจิตของพระพุทธเจ้าคือแสดงว่าสามปติเนี่ยก็มีความสามารถพิเศษในการที่จะมารู้จิตพระพุทธเจ้าได้ คือไอ้เรื่องนี้เป็นความสามารถของเทวดาอยู่แล้วนะที่จะมารู้จิตผู้อื่นตรงนี้นอกเรื่องนิดนึงว่าโอเค่าเวลาเรานั่งอยู่คนเดียวในห้องเนี่ยเราคิดว่าเรานั่งอยู่ในคนเดียวในห้องเนี่ยไม่มีใครเห็นไม่ได้ติดกล้องวงจรปิดไม่ได้มีเครื่องดักฟังเนี่ยเราจะทําอะไรก็ได้ไม่มีใครรู้ไ ม, รนะไม่จริงนะไม่จริงเราเราสมมติเราเปิดอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยเราวัปเปิดเว็บไซต์อะไรอไรเนี่ยคุณคิดว่าคนหนึ่งเขาไม่รู้เหรอไม่จริงนะคอมพิเเวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่มันอยู่ในห้องเนี่ยมัน จดบันทึกทุกอย่างคุณไปที่ไหนบ้างคุณเปิดเว็บโปคุณเปิดเว็บการปนันคุณเปิดเว็บต้องห้ามคุณเปิดเว็บมินรู้หมดทุกอย่างก็ใช่ไหมไม่ใช่ว่าคุณนั่งอยู่ในห้องคอมพิวเตอร์คนเดียวไม่มีใครมองจอคอมพิวเตอร์คุณคนอื่นจะไม่รู้ไม่จริงเอาแค่นี้คอมพิวเตอร์นี่คอมพิวเตอร์เราจับต้องได้เอามาความคิดของเราความคิดของเราอย่างเงี้ยเราคิดอะไรอยู่ในหัวเนี่ยคิดชั่วๆคิดบ้าๆบอๆคิดว่าคนอื่นไม่รู้นะอะอะอะไม่ใช่นะเทวดารู้ เทวดาเขาจะสามารถมากําหนดจิตของเราได้รู้ได้แต่เพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดชั่วๆคิดบ้าบ้าบอๆคิดหมู่หมูมามเนี่ยโอ้ยระวังให้ดีนะคนอื่งเขาก็รู้ได้เหมือนกันอันนี้ไม่ใช่ที่รับเลยความคิดในใจเราไม่ใช่ที่รับอืเพราะฉะนั้นไอ้ที่รับจริงๆเนี่ยคือเวลาที่เราอยู่ในสมาธิเราจะปล่อยวางไงเนี่ยคือคือมันไม่มีที่รับในโลกน ะ, ะอะไม่มีที่รับในโลกทีนี้พอกลับมาถึงจุดที่พระพุทธเจ้าพอมาคิดว่า คนขวายน้อยไม่น้องไปในการแสดงธรรมใช่ไหมสามพดีพรมก็มารู้ความคิดตรงนี้ของพระพุทธเจ้าด้วยใจนะก็เลยเสด็จลงมาลงมาจากชั้นพรมมามาอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าแล้วก็บอกว่าคือก่อนที่จะลงมาเนี่ยก็มีความคิดกับตัวเองบอกว่าตายแล้วโลกจะชิบหายแน่นอนนะถ้าปพระพุทธเจ้าไม่แสดงธรรมนี่แย่แน่นอนฉันต้องแย่แน่นอนว่า ง, งั้นพูดเป็นภาษาไทยนะใช่ค่ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอรมาคิดว่า คือในสมัยนั้นเนี่ยหรือแม้แต่สมัยนี้ก็ตามเนี่ยก็ยังมีคนจุดทูบอ้อนวอมพรหมสีหน้ามาขอให้พระพรหมช่วยแรต่างๆซึ่งซึ่งพระพรหมก็จะต้องเดือดร้อนจากตรงนี้สมมติว่าถ้าคนมีปัญหาในโลกมากเนี่ยคนในโลกมีปัญหามากมีความทุกข์มากยิ่งคนจะจุดทูบถึงพระพรหมนี้ยิ่งมากขึ้นแน่นอนแล้วพระพรหมจะต้องถูกเดือดร้อนด้วยคําขอเหล่านี้จึงส่งช่วยไม่ไหวเลยนะจ๊ะค่ะออไม่ไหวแล้วมันเยอะมากจริงถึงแม้ปัจจุบันเนี้จะขอยังไงบางทีก็ไม่ได้นะ หลายๆครั้งจะไม่ได้ดยซ ส, ส่วนใหญ่ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาก็ชื่อว่าคิดว่ามีคําสอนพรุทธเจ้าอยู่แล้วนะคือพอพอรุทธเจ้าให้คําสอนถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้คําสอนไว้เนี่ยจะมีการบิดเบียนกันอย่างมหาศาลพอมีการบิดเบียนกันอย่างมหาศาลแล้วเนี่ยคนจะมีความทุกข์มากคนมีความทุกข์มากก็จะต้องมาหาัพึ่งพระพร ม, มากพระพรมก็จะเดือดร้อนใช่มพระพุทธเจ้าพระพรมท่านก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าคนจะต้องสดแสดงธรรมเพื่อให้คนเนี่ยคลายจากความทุกข์ได้มากถึงจะถูกต้องจึงมาอาราาะุทแสดง ในบทอ่านรัตนาตรงนี้ก็งดงามมากคุณเดินใจแต่พทะเจ้ า, าท่านสาบดีป ร, รมเนี่ย <Okay. S 1> ก็อธิบายให้ฟังว่าคนที่ทุลีในดวงตาแต่น้อยก็มีนะบุคคลผู้นั้นจะเสื่อมจากคุณที่จะได้รับถ้าไม่ได้ฟังธรรมอย่างนี้มนุษย์ตั้งหลายจะเดือดร้อนเป็นนันมากแล้วก็เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าของเราคือเวลาที่ใครมาพูดอะไรแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เชื่อทันทีอย่างสมมุติว่าลูกน้องเรามาบอกอะไรเราอย่างเงี้ยหรือเพื่อนบ้านมาบอกอะไรเราโอ้ oh, เป็นงั้นเหรอเชื่อทันที ไม่ได้มไม่ใช่ไม่ควรคสิ่งบางไม่ควรนะจ๊ะอ่าใช่สิ่ ง, <ช>งที่คว ร, ควรจะเกิดขึ้นคืออะไรเราต้องตรวจสอบก่อนตรวจสอบข้อมูลนั้นก่อนนะตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลอื่นตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องว่ามันเป็นจริงไหมอย่างนี้เป็นต้นน ะ, ะซึ่งของพระรูชาตรวจสอบอยังไงพระองค์ก็กําหนดจิตของพระองค์ด้วยพุทธจักษุนะตรวจดูสัตว์โลกนะก็ได้ลักษณะของบัวสามเหล่านะคือบัวที่ยังจมอยู่ในน้ํา นะบัวที่ปริมๆน้ำแล้วก็บัวที่ชูขึ้นมาแล้วแต่ว่ายังไม่บานเจ้าค่ะสามเหล่าพร้อมที่จะบานก็เปรียบเทียบกับบุคคลสามแบบนะที่ว่าบุคคลที่ทุลีในดวงตาน้อยก็มีทุลีในดวงตามากก็มีคือหมายความว่าคนที่หนาก็ ม, คกมีคนที่บางก็มีนะจ้ค่ะคนที่มันถึงแม้จะเห็นพระพุทธเจ้าได้ยินคำสอพระพเจ้าก็ยังชั่วอยู่นั่นแหละก็มีคนที่ อจะต้องได้ฟังได้คําสอนของผู้เช่าเท่านั้นหรือได้เห็นผู้เช่าเท่านั้นถึงจะดีขึ้นมาได้ก็มีแล้วผู้เช่าก็เลยเล็งเห็นถึงคนประเภทนี้ก็เลยแสดงธรรมแล้วก็มาระลึกถึงว่ า, าจะแสดงเรื่องอะไรดีอย่างเงี้ยก็เลยได้ความระลึกขึ้นมาว่าเอองั้นแสดงเรื่องสติปัฏฐานดีกว่าอืมเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นต้นเหตุว่าทําไมผู้ศรัทธาของเราจึงได้รับการเผยแผ่มาจนกระทั่งอ ปีนี้นะเจ้าคะก็เรียกว่าเป็นปีที่เราเฉลิมฉลองพุทธยันตีนตก็คือว่ า, าพุทธชายันตีเจ้าคะ่ะก็ เอ่อจะเป็นการครบครอบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรูร้ทำอันสูงขององค์พระสัมมาสัม พ, พุทธเจ้านะเจ้าคะเหลือเวลาในรายการอีก3นาทีเจ้าคะ่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะยมอยากขอกราบนมสักการพระอาจารย์ได้เมตตาจะสรุปตรงนี้เลยเจ้าคะ่ะเราก็จะจากกันไปด้วยความรู้สึกดีๆแล้วก็ได้สิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นมงคลนําไปประพฤติปฏิบัติกันต่อไปเจ้าค่ะกราบนมสักการเจ้าค่ะก็จะในเมื่อคุณเตยใยพูดถึงพุทธเจนตี <น> <Okay. S 2> ก็จะขอพูดตรงนี้นิดหนึ่งว่าท่านผู้ฟังทราบนะว่านี่มัน 2,600 ปีแล้ว <Okay. S 2> มันเป็นเวลา น, านานมามากแล้วนะแล้วก็กรณีอย่างคุณเพลินตาเนี่ยพอปล่อวางได้นะเห็นอยู่กับตาเลยรู้ได้เฉพาะตนเนี่ยคนเขามีประสบการณ์ตรงนี้มาตั้ง 2,600 ปีแล้วนะพระอาหารหันต์ทั้งหลายก็ยังมีอยู่แต่ละท่านแต่ละองค์ไม่ต้องพูดถึงพระอรหันก็ได้ โซดาบันหรือบุคคลธรรมดาที่เขาวางได้วางได้เป็นระดับระดับไปเขาทํากันมา 2,600 ปีแล้วนะแต่ละคนเห็นจัดจัด ก, กับตาแล้วนะเราอย่าประมาทเราอย่าคิดว่าเวลามันล่วงเลยมาแล้วข้อมูลถูกต้องหรือเปล่าก็ไม่รู้ลองทําเลยลองทําดูให้ ร, หรู้ให้เห็นได้ผลตัวเองอย่างที่คุณเพลินตาเป็นนั้นะเราจะรู้ว่าคําสั่พระชาเนี่ยช่วยเราได้ไหมช่วยเราได้จริงหรือไม่อย่างไรนะปฏิบัติด้วยการแค่มีสติในลมหายใจทั้งออกไม่ได้อยู่ไกลอยู่แค่ปลายจมูก แล้วก็ไม่ได้ทํำยากอยู่แค่ลมหายใจของเราทําไปเรื่อยทําไปบ่อยๆเราจะสามารถที่จะพ้นจากความทุกข์มีจิต ท, ที่สบายแล้วก็เห็นตามที่เป็นจริงอย่างที่ผู้เชี่บอกได้สาด้วเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็น<า>ทา่าว่ดีๆที่จะมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะไม่ว่าท่านจะเป็นพุทธศสาสนิกชนหรือว่าเป็นบุคคลที่นับถือศาสนาอื่นก็ตามนะคะ การที่เราได้มามีสติอยู่กับใจของเราเองอยู่กับตัวของเราแล้วก็ได้คิดทบทวนอะไรต่างๆจนกระทั่งเห็นตามที่เป็นจริงอันนี้เนี่ยดินคิดว่าท่านลองประพฤติปฏิบัติดูนะคะก็คิดว่าจะทำให้ชีวิตของท่านนั้นสงบสุขมีความสว่างแล้วก็มีความสุขจากภายในอย่างแท้จริงตามที่พระจันทร์ไปบุญอภิปุโ น, โนท่านได้เมตตาสาักฉามาแล้วนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็เห็นจะต้องขอลาท่านผู้ฟังทางบ้าน เพียงแค่นี้นะคะสําหรับในช่วงของการสักชาหรือสนทนาธรรมะกับท่านพระอาจารย์ไพบุตรอภิปุนโนพระอาจารย์ของเราค่ะท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรมรมหลีกเล้นตามพุทธวจนะของวัดป่าดอนหาโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตําบลดอนหายโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดรสะอาดที่โตภาสุของเราท่านเป็นเจ้าอาวาสที่มีเมตตาสูงยิ่งค่ะสําหรับในเช้าวันนี้ก็คงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปเพียงแค่นี้ ในช่วงของการสากกะฉาก็เราจะพบกันใหม่ในเสาร์อาทิตย์หน้าที่ 24- 25ิิมีนาคมนะคะแต่วันพรุ่นี้ก็เรียนเชิญท่านผู้ฟังได้รับฟังธรรมะดีๆจากรายการธรรมารับรุณจากพระอาจารย์ไพบุตรอภิปุโนองค์ปราทกประจํำรายการธรรมารับรุณเหมือนเช่นเคยคะ่ะสำหรับเช้าวันนี้ก็ขอเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะมากราบขอพระคุณและกราบนมัส ก, การลาพระอาจารย์ไพบุตรอภิปุโนเพียงแค่นี้นะคะกราบนมัส ก, การลาและกราบขอบพระคุณอย่างสูงอย่างยิ่งเจ้าค่ะเสนาบาน 啊，就就看。